ถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอ น, นิจจังตื่นขึ้นแล้วกว็แปรปวนแล้วแตกสลายสุขในโลกีสุขในโลกุลกตตะคื อ, อยังไงคือธรรมะนี่ยังชีวิตในทางที่ชอบไม่ียดายล่วงละเมิดศีลท่าไม่่ไดายล่วงละเมิดอบายมุขไม่แฉดายอยากจะถืออยู่โยงคงขปัน ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากค่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเลยเงื่อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหารฆ่าขายน้ำเมาฆ่าขายยาพิษนี่เรียกว่าสุขในขณาวาสเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิเป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิเป็นเพร tattoo. สมบัติเต็มภูมิ เป็นนิพพานสมบัติจมพงดิ่งไปในทางเจริญเลยถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นสุขวนเวียนอยู่หมดบุญแล้วก็ไปหาบาปหมดบาปแล้วก็ไปหาบุญหมดบุญแล้วก็ไปหาบาปวนเวียนอยู่ในแองอยู่ในแอ่งโลกีเวลาทําบาปมากก็ไปหาบาปเวลาทําบุญก็ไปหาบุญวนเวียนกันอยู่อย่างนี้เวียนบุญเวียนบาปอยู่ ถ้ามีสียห้าบริบูรณ์ไม่ได้เรียนบวชเป็นแวรบาปเยไม่เล่นอบายามุกดิ่งไปสู่พระนิพพานเลย น, นี้เรียกว่าโลอุตระรธระรมโลกุตระศีลโลกุตระปัญญาโลกุตระความประพฤต ส่วนโลกีประพฤติบาปก็สร้างบ้างบุญก็สร้างบ้างก็วนเวียนกันอยู่ในวัฏสงสารเนีมดบุญแล้วก็ไปหาบาปมดบาปแล้วก็ไปหาบุญมดบุญก็มาหาบาปมดบาปก็มาหาบุญนี่จิตใจหมดอายุของบุญก็มาหาบาปมดอายุของบาปก็ไปหาบุญอยู่อย่า ง, างนั้นส่วนถ้ามาถ้ามีเสียหาบริบูรแล้วไม่ได้อาบายมุข ถือพระพุทธศาสานาตาวเข้าเข้าสูพระเนาก็ดิ่งไปพระเนพานเลยลากมนุษย์สมบัติรากสวรรคสมบัติรากพรสมบัติไปด้วยวัตถุนิยมอุดมคติรากวัตถุนิยมไปด้วยแต่มันก็ค่อยเป็นค่อยไปบางท่านทำอ่านว่าธรำโลกีทำโลกุตระทำศีลอ่านาว่าศีล โลคียาสีนโลกุตละสีนสมาธิอ่านว่าสมาธิโลกียสมาธิโลกียาโลกุตละสมาธิปัญญาอ่านว่าปัญญาโลกียปัญญาโลกุตละปัญญาตรสิกขาแบ่งออกเป็น2อตรสิกขาในโลกีไตรสิกขาในโลกุตละ เกตนามีสองเกตนาเกตนาในโลกีเกตนาในโลกุตระกิจสองโลกียกิจโลกุตรกิจธรรมสองโลกียธรรมโลกุตระธรรมเกตนาสองโลกียกเกตนาโลกุตระเกตนาความเพียรสองความเพียรในโลกีความเพียรในโลกุตระ ธาตุสองโลกิยาธาตุโลกุตระธาตุธรรมสองโลกียาธรรมโลกุตระธรรมปัจจุบับนสองปัจจุบันโลกีปัจจุบันโลกุตระผู้เอารบพระพุทธศาสนาเป็นโลกีศาสนาก็มีเป็นโลกุตระศาสนาก็มีเป็นโลกีศาสนาคืออะไรบ้างบางทีก็ทำบุญบ้างบางทีก็ทำบาปบ้าง ปะปนกันไปก็เรียกว่าโลกีศาสนาะแต่ต้องผ่านโลกีเสียก่อนเมื่อข้ามโลกีแล้วก็เป็นโลกุตรนะศาสนาแต่พยายามให้ข้ามโลกีซักเพราะโลกีเป็นทางวนเวียนโลกุตระไม่ได้วนเวียนตายวันไหนก็ไม่เกิดเป็นเปรตเป็นผีไม่ได้เป็นสัตว์จิรฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกก็ไม่ได้เป็น เรียกว่าท้าโลกีไปแล้วภาวนาพุทโธก็ดีภาวนาอันไหนก็ตามเพื่อพนทุกข์ในวัาสงสารเพื่อสร้างเวลามีแ ก, ก่ก้าให้ทานเข้าเม่ถักผักเค็ญหนึ่งก็เพื่อพระินปานรักษาศีลคณะจิตหนึ่งก็ตามหรือพุทโธคำเดียวก็ตามก็เป็นพุทโธเพื่อไปพระินพาลนั้นเป็นโลุตระ ไม่ใช่พุโทโธเลขพุโทโธผาพุโทโธบัตรพุโทโธเบอร์อันนั้นเป็นพุโทโธโลกีแต่พุโทโธไม่ได้เป็นโลกีธรมโอไม่ได้เป็นโลกีคิดใจของเราเป็นโลกีแล้วก็ดึงธรรมะของพุทธศาสนามาเป็นโลกีด้วยไอ้ที่แท้ธรรมะของพุทธศาสนาเป็นโลกุตระธรรมะบัณฑิตโอคาลมาวสังบัณฑิตเป็นผู้คลองเรือนคือเป็นผู้มีเสียน่าบริบูรณ์เป็นผู้มีไม่เสียดายจากร่วกอบายอย่างงคก พลั้นะ่ะดึงมนุษย์สมบัติไปล่งนะเหมือนทิศเหนือดึงเข็มทิศขี้ไปในทางตนเองเหมือนน้ำมหาสมุทรทะเลดึงน้ำให้หนคอความเบืองบางบตา่าๆลงไปสู่ตนเองเพราะมีอำนาจเพราะมีเครื่องดึงดูดเมื่อถึงโลกุตระแล้วมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัตินิพพานสมบัติดึงไปเอง ดึงดูดไปเองสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธเราจะรู้ทางลัคนพุทโธของสุปฏิปันโนธมโอของสุปติปันโนเป็นพุทโธธรรมโอสังคโฆเพื่อพ้นทุก์ในวัฏสงสารกราบสามโหรพุทโธธรโมโอสังคโฆนิบปานังไม่ได้กราบเพื่อหลอกกินขมนมนั่นโลกุตระไม่ใช่โลกี ไปใส่บาตรก็ตามใส่ก้อนเดียวก็ปาถนาพระเนรพนและอุทิศให้ทั่วทั้งใจโรกธาตุทั่วทั้งใจโลกธาตุเลยให้ทานรักษาศีลเข้าไม่สัต์ผักเรี่ยนหนึง่งโอ้ยก็อุทิศให้ทั่วทั้งใจโลกธาตุมันไม่หมดหรือมันไม่หมดพระบรมศาสด า, ษาบุญของเราีเล็กน้อยเพียงมเมล็ดงานเนี่ยพระอุทิศทั่วทั้งใจโลกธาตุมันจะไม่หมดหรือพระอานนท์กราบทูลพระบรมศาสดาพระบรมศาสด า, า, าบอกว่า อนวนเอ๋ยมันไม่หมดมันยิ่งได้สวีขึ้นเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินทัานคุดองนั้นเพราะเป็นคนเมตตาการให้ทานใ ห, นใหน้การทำบุญอุดิตยเรียกว่าปฏิทานาำไมบุญสาเด็จด้วยการให้ส่วนบุญนั้นไม่หมดอนวนเอ๋ยเธออย่าไปสงสัยเลยแผ่ความดีไปไม่หมดเรียกว่าอทิษความดีให้ทั่วทั้งใจโลกทาน พุธโธนิพานธโม internet, โนิพานทั้งโอนิานขอถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่นไม่มีประมาณเพื่อพนทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาตินี้เถิดผู้ภาพผู้บารมีแก่ต้ามาแล้วและเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีเขาถึงซึ่งพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่นไม่มีประมาณเพื่อพนทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาตินี้เถิดและเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดี ขอออกกายถวายชีวิตตอพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกว่นไม่มีประมาณเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยด่วนในปัจจุบันชาติได้เถิดผู้นั้นสร้างวาตถุมีแก่ก้ามาแล้ว นั่นเกได้ไม่นึิกได้ก็ดีขอขมาโท Đ ษต่อบพระธรรมสง่งโดยกายวาจาใจอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณเพื่อคนทุกข์ในวัฏจัสงสารโดยด่วนในปัจจุบันในชาตินี้เถิดปัจจุบันนิตปัจจุบันธรรมอันใดที่รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้ท้นตามเป็นจริงข้าพเจ้า ช, ชงรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้ท้นตามเป็นจริงอยู่ทุกเมื่อเทิดอันนี้เรียกว่าบารามีแก่ข้ า, ามาแล้วเมื <ME write> ่อบารามีย <multiply> ังไม่แก่ข้าขออนตัญาคตการนั่นเทิด หน้าโคตรกาดันเถินเรียกว่าบา ร, รมียังไม่แก่ก้ายังกําลังเรียนใหม่ขอธรากาขอธราคานะผู้บาลมีแก่ก้ามาแล้วก็ไม่อยากอยู่ในวัดตาสงสารนนี่เขามองไปทางไหนก็เห็น ต, ตั้งแต่ทุกครังอนิจจังอนัตานนาตาเห็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมเห็นแต่ความเกิดขึ้นแล้วแปรปรว น, นแต่สลาย เห็นอนิจจังคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจตไม่ด้วยอนิจจังเห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกจะไม่ด้วยกองทุกข์เห็นดินน้ำไฟลมคณะจิตหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งเพราะโลกจะไม่ด้วยดินน้ำไฟลมอันนี้เรียกว่าท่านผู้บาลมีแก่กล้ามาแล้วมองไปไหนๆก็เห็นแต่อนิจจังทุกขังอรตตาเกิดขึ้นแล้วก็แปลโปรและแตกสลายสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นดับในอดีต สังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นดับในปัจจุบันอันนั้นเรียกว่าผู้บารมีแก่กล้ามาแล้วไปทางรัฐทีนี่พุทธะสีจําพวกอีกสวาโก้พุโทสุขาตะโก้พุโทเตวิโต้พุโทชนะเพิโย้พุทโธอจิสัมพิทัปโต้พุทโธพุทโธอีกจำพวกหนึ่งเรีว่าสวาโก้พุโท สมมาธรมพุทโธเป็นชั้นที่หนึ่งพระเจดธรรพุทโธเป็นชั้นที่สองสาวกพุทโธเป็นชั้นที่สามสาวิกาพุทโธเป็นชั้นที่สี่สาวกพุทโธสุทัศไปอาภูรูภูรูของพระสมมาธัมพุทธเจ้าภูรของพระปัะเจกภูรูของพระพรหันตาเสนาศพูรูของพระอนาคามี ผู้ลูกของพระจักรทาคามีผู้ลูกของพระอนาผู้ลูกของพระอรหันผู้ลูกของของพระอนาคามีผู้ลูกของพระจักรทาคามีผู้ลูกของพระสวดาวันจะเอาไปตีเสมอกันไม่ได้เพราะมียิ่งยอนกว่ากันปัจจุบันก็เหมือนกันปัจจุบันพระสวดาวันปัจจุบันสักทากามีปัจจุบันอนาคามีปัจจุบันพระอรหันปัจจุบันพระพเจกาปัจจุบัน พระสมัยพระพุทธเจ้าจะเอาปตีเสมอกันไม่ได้ผู้ลูกก็เหมือนกันน้ำหนักของราชสีในปัจจุบันน้ำหนักของช่างในปัจจุบันจะไปปตีเสมอกันก็ไม่ได้ทมก็เหมือนกันไตรศิีขาของพระสวัสดันไตรศสขาของจักรทาคามิไตรศิีขาของพระอนาคามิไตรศิขาของพระอรหัน ไตรเสียขาเขาพระสมาธิพุทธเจ้าอ่าไตรเสียขาเขาพระปัจเจศไตรเสียขาเขาพระสมาธิพุทธเจ้าจะเอาไปตีเสมอกันก็ไม่ได้เพราะมีคุณค่าต่างกันทำอ่านว่าทำโลคียธรรมโลกุตรธรรมโลกียธรรมคืออะไรว่าต่ำกว่าสุปฏิปโนลงมาก็เป็นโลกียธรรมโลกียศีลโลกียะสมาธิโลกียะปัญญา ทำแต่ละบัตรบาตรจงต่อพระานหมดทำคําสอนของพระพุทธศาสนาเป็นโลกุตระทั้งนั้นที่เราเอาโลกีมาปนเปก็เพราะเอาคําสอนของศาสนาอื่นมาปนเปกับศาสนาพุทธก็เลยกลายเป็นโลคีไปเอาพอตากับลูกเขยไปนั่งเตียงเดียวกัน แล้วก็เอาพระสมมาทัพพุทธเจ้าลงมาขึ้นสเตจกับรัฐที่อื่นๆมันก็บาปเอาพระโคดมมาชกมวยกันกับรัฐที่อื่นๆมันก็บาปสุปฏิปนโนมีมีภูมิอย่างไรบ้างไม่ใช่ดาอยาก<ม>ล่วงละเมิดเสี้ยนห้า ไม่เสียดายอยากล่วงอบายมุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะคบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระเทือนเขาไม่เสียดายอยากจะถือรัทติอื่นศาสตราอื่นอัญญชัดทุตเทศไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่น ญาพระภูมิของสุปฏิปันโนภูมิของพุทสุปฏิปันโนเป็นหน้าที่ของคารวาเหมือนกันบัณฑิตโตคามาวาสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนก็คือสุปฏิปันโนนั่นเองข้างพุทธกาลปุรุราตจะคืผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือไตสนภมไตสนของขางพุทธกาลก็คงหมายดวงตาเห็นธรรมมีสิบเอดลหุด งราจะคืบแล้วหดหนึ่งมีหนึ่งหมื่นทิพอนหดก็เป็นคนหนึ่งแสนหนึ่งมื่นถึงไตธนาคมถึงปชัชจาบันเห็นอันนี้จังชัดได้ได้ในลกล้วนอันนี้จังได้ได้ในลกล้วนทุกขังได้ได้ในลกล้วนอนุตาย่าสงสัยเลยรนาะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าวิจิจิตฉา ไม่คิดสาไปแล้วไม่ลูก ค, คำคําสอนพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าละสักกายคิดถีไปแล้วไม่สงสัยในคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ลูกคำในคําสอนพระพุทธศาสนาเห็นแจ้งประจักษ์แล้วเห็นทางเข้าสู่พระนพานดิ่ ง, ง, งถ้าเรายังเสียดายอยากล่วงอบายอย่ามุกอยู่ถ้าเราเสียดายอยากล่วงละเมิด ศสียห้าอยู่ถ้าเราเสียดายอยากจับมิจฉาอาชีวะคือเลี้ยงชีวิตผิดถ้าเราเสียดายอยากค้าขายเครื่องประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายจัตเป็นอะไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้ไม่มีในดวงใจของพระสุธิปัิปันโนเลย สิ่งไหนไม่เสดายเงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจสิ่งไหนที่เสียดายเ่งละเมิดสิ่งนั่นก็หนักใจทำไมจึงไม่เสียดายเรื่องละเมิดเพราะเห็นชัดเจ้ามันเป็นทางชิพหายไม่มีสารอุทธรเลยไม่เป็นทางเจริญเหตุนั้นพระวรมสาสาจึงยืนยันว่าความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทํำได้ยากความชั่วคนชั่วทำได้ง่าย ความชั่วคนดีทำในายากันตรงกันพูดคูดมะแรงวันหาง่ายแต่มะแรงพึ่งไม่ฝันเลยมะแรงวันมันก็บอกว่าประชาธชนไตยของมันมะแรงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธินไทยของมันโลกเขาพาเป็นเหตุนั้นพระบรมศาจารยจึงทรงสั่งสอนจงเป็นผู้ ใจถึงในทางทำดีตามสติกำลังของตนถืออย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยจงเป็นผู้มีอิสระในทางทำดีตามสติกำลังของตนถืออย่าเป็นผู้มีอิสระทางทำชั่วเลยจงเปนผู้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในทางทำดีเถิดอย่าเป็นพ่อเจ้าแม่ในทางทำชั่วเลย นอกจากใจก็มามีอันใดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็มามีอันใดจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจนอกจากใจก็มามีอันใดจะหลงใจใจเท่านั้นเป็นผู้หลงใจใจเท่านั้นเป็นผู้ไม่หลงใจใจไม่รู้ไม่หลงใจตอนไหนใจก็ไม่มหลงธรรมตอนนั yaz, uh ้น huh. ใจรู้เท่าใจตอนไหนใจก็รู้เท่าธรรมตอนนั้นพูดเดนลงมา เป็นเอกนิบาททำดีทำชั่วทำดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกเชื่ออยู่ที่ใจไม่ได้ไปบวกอยู่ที่เรียนฝ้าอากาศเลยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับรู้และไม่รู้เหตุใจอันใดที่รู้ตัวผลของใจอันนั้นก็นามาโดยรู้ตัว มักกิดมักใจ ก, ก็ไม่มัวเดินโคกย่อมไครจากเหตุและผลอันเป็นความรู้เฉพาะตนก็ย่อมไม่ได้วนอยู่เส้นการนานพระบรมศาสนาสอนทั้งสูงทั้งต่าสลับกันกลับไปสลับมาเหมือนช่างตีเหล็กที่ค่อยบ้างตีแรงว่าเหมือนเขาฟันไม้เหมือนกันฟันค่อยบ้างฟันแรงว่างทำของพระพุทธศาสนาทำแปลว่าทรงอยู่มีอยู่ ทรงไว้ซึ่งโลคีเขาเรียกว่าโลคีธรรมทรงไหโรงทรงไว้ึ่งกุตระกูลเรียกว่ากุตระตธรรมทรงไว้หวอยู่ที่ดวงใจนั่นเองถ้าใจไม่ทรงทมไว้จะให้ผีตัวไหนมาทรงไว้มีปัญหาสอดเข้ามาว่าใจเป็นผู้งอธรรมหรอจะรำเป็นผู้งอใจใจต้องยอมตัวเข้าหาธรรมถ้าใจไม่มีธรรมมีมไมธรรมก็มีอยู่ พระพุทธศาสนาพระสมเด็จพระบรมศาสดายังไม่เกิดไม่มีมาในโลกทำไหมไหมทำก็มีอยู่สังขารธรรมก็มีอยู่วิสังขารธรรมก็มีอยู่ทำไฟเกิดไฟดับก็มีอยู่ทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่ก็มีอยู่ไม่ลงธรรมมาตเลยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เห็นและไม่เห็นไม่ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติและไม่ปฏิบัติพระธรรมทั้งหลายไม่ได้งอจิตงอใจให้ปฏิบัติเลย ใจถ้าปฏิบัติถูกก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าปฏิบัติผิด ก, ก็เป็นหนทางลงสู่นรกเหตุนั้นท่านจึงมาอยากว่ารูปกิเกตเจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่กิตกิตไม่ใช่พระนิพพานเป็นหนทางเดินเข้าสู่พระนิพพานเฉยๆเจ็ดมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระทหารท่านรักษาจิตหรือไม่พระรหารไม่ได้รักษาจิต เพราจิตของท่านไม่มีเกลื่อไม่มีอัตวาทุปาทานยึดมั่นคือมั่นอะไรเลยถ้าพูดต่าก็ไม่ถูกกับขณะท่านผู้ใจสูงถ้าพูดสูง ก, ก็ไม่เหมาะสมกับผู้คอตรอ า, ากาขอตรอ า, ากามันก็ลําบากเหมือนกันหนทางเข้าสู่พระานก็คือหนทางใจที่ทำถูก ตรเสกขารวมพลกันของพระสดาบันไตรเสกขารวมพลสักทาคาเมไตรเสกขารวมพลพระอนาคามีไตรเสกขารวมพลพระหลานเป็นไตรเสกขาที่จบแล้วใครเรียนนะโมจบก็พระหลา์เท่านั้นเรียนนะโมจบนะโมแปลว่านอบน้อมพระหลานนอบน้อมจนม า, มาเกิดแก่เจ็บตายนอบน้อมจนไม่มีโรคมีปกดไม่หลง นโมพระอนาคามีนอบนอมไม่มีราคะโทสะนโมพระโสดาบันนอบนอมไม่หลงทางไม่เสียดายอยากจะแวะซ้ายแวะขวาไม่เสียดายอยากจะถอยหลังเลยไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นนัดที่อื่นเลยเ๋ย่าเห็นหนทางแล้วนโมต่ำกว่านั้นลงมาก่อนโมเลกนโมผานโมบัตนโมเบ จะไปดึงน้ำโมไปเล่นเลขด้วยบ้าจริงๆถูกไหมน้ำโมเลขน้โมผาเนโมวัดน้โมเือน้โมโลกุตระก็มาน้ำโมมุ่งพระนิพพานทางนั้นเจตนาสองโลกิยะเจตนาโลกุตระเจตนาโลเกตเจตนาปัญหามาโลกุตระเจตนาปัญหาไม่มาก ถ้าปฏิบัติเพื่อเพิ่มทุกข์ในวัตฏสงสารปัญหาก็ไม่มากถ้าปฏิบัติเพื่อล่าเพื่อยศเพื่อสระเสริญเยินยออะไรต่ออะไรเพื่อมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติอะไรต่ออะไรรุ ng, ad, uk, ata, ่งเหยิงปฏิบัติเพื่อเพิ่นทุกข์ในวัฏสงสารวัตถุนิยมและอุดมคติมันก็ดึงไปเองะเหมือนเข็มคิดเหมือนทิยดเหนือดึงเข็มเทียดไปเป็นเมืองขึ้นของตนนั่นเอง เข็มทิศจะมีกี่หน้าก็เชื่ไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดผู้ปรารถนาโลกุตะก็ชั้นนั้นก็ดึงมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัตินิพพานสมบัติไปในตัวแลว้วพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธศาสนาที่สอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแลว้วสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิแลว้ว สอนพรมสมบัติจำภูมิแล้วสอนสมนิพานสมบัติจำภูมิแล้วดึงกันไปในตัวไม่ขัดแย้งกันเลยเหตุนั้นจึงยืนยันว่าสถางสัพยัญนชนะเกวระปะริพุนังปฏิสุทธิ์ทางพมเมจาริยังประกาศเสสิ่ปฏิบุญแล้วทั้งอัฏฐพยัญชนะสิ้นเชิงจึงได้ยอมกราบไหว้ตามมหาภะกันตังอวิชกุิยามมตามหาภะวันตังศีรสานามาวิไม่ได้ประกาศว่าแบบโง่ เขาบอเรามาศาสตราสร้างบาลเมมาก็เพื่อขนลื่สัตว์ออกจากวัฏสงสารมีพุทธจริยาสามพุทธตจริยาสงสารวาลเมเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วปยาตาจริยาเพื่อสงเคราะห์ญาติและกโลตาจริยาเพื่อสงเคราะห์โลคในฉะนั้นจึงทรงพระนามยืนยันว่าโลกะเวทูเป็นผู้รู้แจ้งโลก อนุตตรโภติสะ ธ, ธรรมสารติสสาเทวมนุษย์นาเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วสิ่งนั้นเรายังไม่ทันสอนมนุษย์เทวดามาพรพมเราไม่เป็นความผิดของเร า, าพระบรมศาสดามันเดีสงสัยเลยมนุษย์สมบัติสวรรค์ส ม, มัติพรสมบัตินิพมมมานสมบัติเราก็ได้สอนไว้บริบูรณ์แล้วไม่มีที่นี่นะเดี๋ยวนี้เราจะละพวกเธอไปล่ะ ถ้าสิ่งนี้ไม่บริบูรณ์เราก็จะเพ่งโทษเราเราไม่ได้เพ่งโทษเราเลยเราจึงจะลาไปมนุษย์สมบัติเต็มภูมิฉันสมบัติเต็มภูมิพรมสมบัติเต็มภูมินิพพานสมบัติเต็มภูมิกฎหมายก้หมู ก, ก้อนฟักก้อนของชาวโลกตั้งขึ้นไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเพราะพุทธศาสนาปกครองโลกเต็มภูมิแล้วทําให้โล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกวนตาบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ ถ้าไมมียางอายตบบาปไม่มีความควัวตบบาปแล้วกฎหมายก้อหมูกพัดพักก้พวกของข่าวโลกก็ตั้งมาอยู่อุ้งของทําไม่นาคำหนึงก็หมดเที่ยพึ่งพิงอิงอาศัยชาวไ ต, ตรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเถิดนะนะนะที น, น, น, นี้บางท่านก็กล่าวตัวว่าพระพิสุไม่ควรไปพูดการว่านการเมืองถ้าพิกสุไม่สอนว่านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนะนะ ก็บรรลอกศาสนาสอนคารวะสอนยังไงสอนแลว้วสอนค า, วาราวะคารวะมีหน้าที่ทํากับพระเนรยังไงหนึ่งด้วยกายกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสองด้วยวาจีกรรมคือพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสามด้วยมโนกรรมคือคิดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาสี่เป็นคุกผู้ไม่ปิดประตูคือห้าไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเมทสถานหน้าที่ของพระเนรท่นี้ หนึ่งห้ามาทำความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสมอนุเคราะห์ด้วยนําใจอันงามสี่ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก้มหกบอกทางสวรรค์ให้นั่น น, น่นน่นพระพุทธศาสนาสอนอย่างนั้นถ้าเราอาจไม่สอนพระก็ไม่ได้ถ้าเราพระพิคือธรามเดนไม่สอนไม่สอนญาติโยมก็ไม่ถูกเพราะอาศัยเขาเลี้ยงชีวิตเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่า อนุตรังคุณเขษตรตังโลกัสสาติเป็นนาบนของโลกสุพิธปโนทุยายะสามีเท่านั้นเป็นนาบนของโลกไม่ได้บอกว่าพระผู้เล่นบัตรเล่นเบอร์เล่นเลขเล่นผาบอกหวยเนี่ยเป็นเป็นเศษบนของโลกไม่ได้บอกอย่างนั้นเน้อสิ่งนี้เป็นหน้าที่ของชาวโลกจะรู้จักทั้งนั้นอคําสอนแต่ละบทละบาตรส่งต่อพระนิพพานหมดผู้บารามีแก่กล้ามาเนี่ยก็ไปทางรัด พระบรมายังอ่อนอยู่ก็จําเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ำอยากถือว่าพระบรมศาสราเป็นคนด้อยไม่ทันกับสมัยเขาเ อ, อไม่ทันกับชาวโลกเพราะไม่ให้กิเลสเป็นนายหน้าพระบรมศาตราสอนโลกทุกย ท, ทุกสมัยตรงกันเลยไม่กล้าจะมาจีรละละ้านพระองค์ก็มาสอนโลกตรงกันเลย ไม่ได้ลบล้างพรบกันเลยอันนี้เป็นหน้าควรคิดควรยืนยันทำเป็นโรคระบาดคุ้มครองโรคไม่สองอย่างความร้ายตาบาับความกว่าดตาบาับเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้ไม่ใช่ว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณูเอ็มเจ็หเอมสามไม่ได้ยืนยันอย่างนั้นพระบรมศาตราทุกทุกพระองค์ฟื้นฟายเลยศีรษะน้าทางังณทันเตเตจึงประกาศพุทธบริษัทไม่ท่านข้ามเลยพระองค์ การค้าขายก็ให้มีขอบเขตค้าขายเครื่องผหานค้าขายมานุษย์ค้าขายสับเป็นรายเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าวเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของอวาสศกอวาสิกาไม่ให้ประกอบสมบัติของอวาสศกอวาสิกามีอยู่หประการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองมีศีลบริสุทธิ์คือศีลท่าสมไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมองคลเรียกจะออกตัวนั้นเรียกจะออกตัวนี้มงคลตื่นข่าวทั้งนั้นนั่ง น, นั่ง น, น, น ว่าแสวงหาเขตบญนอกพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาอุบาสกอุบาสิกาต้องตั้งอยู่ในสมบัติทาประการและเว้นจากสิบัติท่าห้าประกา ร, าการซึ่งตรงกันข้ามนั่นเพียงเพียงเพียงเหลีย ง, งเลยพระบรมศาสนาถ้าไม่จริงจะนอนเฝ้าทำไมเอาไปเผาไฟซึ่งสักหาอยู่ในพระไตรปิฎกมีครบแล้ว จตุกะก็ไม่กีเลยคือกำเครื่องเสมองสี่อย่างปรานาทีบาต ท, ทําชีวิตสัตให้ต ก, ตกล่วงอทินนาทานถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้โดยอาการแหงกโมยกามเมศวิชาจานพฤฒผิในายกามนับแต่นี้ไปจนถึงเกียดข้านทํางานไม่สนุกที่นี้ปฏิบัติทั้งเล่มเป็นภูมิของพระสวัสดิบทั้งนั้นนะองค์สมเด็จพระบรมองค์สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพรยาวาชิ ร, รยานาวโรรสท่านเอามาไว้แล้วสําหรับผู้ประพฤติ ในทางธารว่าแต่ทุกวันนีเอา้าถ้าชาวโลกมีสินห้าบริบูรณเอา้าถ้ามันร่วงละเมิดสองข้อที่ไม่ละอายต่อบาดไม่กลัวต่อบาดแล้วมันก็ไปร่วงละเมิดสินหา้าใช่ไหมทุกวันนี้อุณหภูมกันอยู่ก็เพราะร่วงสินหา้าใช่ไหมถ้าชาวโลกไม่มีสินห้าบริบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเอ เรือนจำก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่มีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจําก็ไม่ต้องมีเอา้าวเย็นยามก็ไม่ต้องมีเอา้านั่นนั่นถ้าไม่ลดตำหนิทางกิเลสแล้วกฎหมายจะตั้งขึ้นกี่นั่นล่ามันก็ไม่อยู่อีพ่ออีแม่เอ๋ยถูกไหมนั่นโรคเอชเปนมาจากไหนมันก็มาจากการมีสมิธชายการใช่ไหมนั่นพระบรมศาสตรา รักษาไฟต้นลมรักษาลมต้นไฟแล้วนะเหตุฉะนั้นเราจึงนับถือพระพุทธศาสนาไม่ได้นับถือแบบบ้าๆถูกไหมอ๋ี้ปร้นมาจากไหนก็มาจากอเทนาธานก็มาล่วงละเมิดชินห้ากันน่อุนลมานกันอยู่ทุกวันนี่ทุกยอมยานะถ้ามีขินห้าบริวณสงครามก็ไม่มีนะ เครื่องศาตาอาวุธกรร็ไม่นีมีแต่เครื่องก่อสร้างเท่านั้นเหตุนั้นจะทิ้งพระพุทธศาสนาไม่ได้จะตั้งกฎหมายจากักรรางก็ตั้งเถิดไม่อยู่หรอกถ้าไม่ลดตำแหน่งกิเลสบ้างเวลานม่เวลานม่เวน้เวนแล้วขิ้ขาประทางสมาธิยามิเป็นขิ้ขาบทหนึ่ง ปานาเจปาตาเวรมานีเว้นวลแล้วสิค้าไปทางสมาธิมิเป็นชิค้าบดหนึ่งหิ้นห้าถ้าไม่ล่วงละเมิดมันก็เป็นชิ้นเป็นเชือกหาเกลียวมาอยู่ที่ดวงไกลชิ้นแปดถ้าไม่ล่วงละเมิดก็เป็นศิ้นแปเกลียวมาอยู่ที่ดวงไกล 10, ชิ้นสิบชิ้นสองรอ ย, อยี่สิบเจ ก, ก็เหมือนกันก น, นั่นคําสอนใดๆที่เป็นเกลียวพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอด ถ้ากรรมและผลของกรรมมันมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมของกรรมของผลมันมีกรรมและกรรมกรรมผลกรรมและผลของกรรมมันมีจึงได้เชื่อพระพุทธศาสนาคดีดําคดีแดงในโรงสุโรงในศาลจะตัดสินเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็ไม่เป็นปัญหาอีพ่ออีแม่เอ๋ยผลของกรรมยังมีอยู่อีก <laughs> นั่นนั่นนั่ น, น, น <laughs> ผลของกรรมยังมีอยู่อีกพระพุทธศาสนา จ, จะล่วงไปสักเท่าใดก็าตามผลของกรรมที่ทำดีทำชั่วก็มี INGING อยู่ทุกปรมปราณผู้เชื่อก ร, รมแล้วผลของกรรมก็คือผู้เชื่อพระพุทธศาสนานั่นเองผู้ไม่เชื่อกมแล้วผลของกรรมก็คือผู้ไม่เชื่อพระพุทธศาสนานั่นเองก็คือผู้ไม่เชื่อตนนั่นเองใช่หรือไม่ ธรรมัยตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัถัญยุตตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้นะพระพุทธศาสนานิสสมมะกระดานเซโยใครครวรเสียก่อนจึงทำเสียเลยดีกว่านะถ้าพลาดก็นับสิบลุกถ้าไม่ใครควรแล้วถ้าพลาดก็นับสิบป็นลุกเช่นเป็นตกเหวเป็นต้นนะ คำสอน ใ, นใดๆก็มาเถิดถ้าปีนเกียวพระพุทธศาสนาจะไปไม่รอดทุกยุคทุกสมัยเลยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาเทศตรงกันหมดพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วมากกว่าร้อโกรธอาเ น, นกสะตะโกตะโยมากกว่ า, าร้อยโกรธที่จะมาในข้างหน้าก็มากกว่ า, าร้อยโกรธมีคำสอนอันเดียวกันเพชรกันแต่ ปัญญาธิกะศรัทธาทิกะวิทยาธิกะเท่านั้นถึงอย่างนั้นก็เป็นคําสอนอันเดียวกันเลยไม่โน้มนางพรบกันเลยสอนโรคอย่างเต็มภูมิแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ที่จะควรคิดทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นแล้ว ก, ก็จะหาว่าพระพุทธศาสนาะคือผู้ทําผิดก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาะ ผู้ทำถูกก็เป็นพยานพระพุทธศาสนานั่นเราบอกแล้วไปทำผิดอย่างนะั้นมันมันมันเป็นอย่างนั้นนั่นเราบอกแล้วเราส่งเสริมทำอย่างนั้นมันถูกอย่างนั้นนั่นก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาหมดกรรแล้วผลของกรรมย่อมเป็นพยานพระพุทธศาสนานผู้ทำดีได้ดีจริงผู้ทำชั่วได้ชั่วจริงตามส่วนคนฆ่าของเหตุที่ทำน้อยและมากเชื่อกรรมและผลของกรรมก็คือเชื่อตนทำเชื่อใจและผลของใจนั่นเองนั่น อธิษฐานวางใจเลยคัอย่าให้สิ่งที่ร่องแร้ามาคล้องอยู่ในใจอัปตันเจอนาคตังสิ่งที่ยังไม่มาถึงอย่าให้มายุ่งในใจปัจจุบันันเจยธรรมังจงเอาปัจจุบันนั้นเถิดเอาตัวสิลรองในปัจจุบันเอาตัวธมามที่รงใ น, น, นปัจจุบันตัดจํานวนปัจจุบันันเจยธรรมังจงเห็นธรรมในปัจจุบันนั้นเถิดพระบรมสาสราเอาปัจจุบันตัดสิน ถ้าเราโม้เชี่ยววศเอื้องอดีตอยู่เชี่ยววศเอื้องอนาคตอยู่ปัจจุบันก็พลอยเสียไปด้วยเหตุ น, นั้นจึงย่นเสียนสมาธิปัญญาลงสู่จจนน 9, ในปัจจุบันเลยเราเดินไปเราก็ระวางเก้าในปัจจุบันเก้าอดีตยังไม่เก้าเก้าอนาคตเก้าอดี ต, ดตก็ล่วงไปแล้วเก้า อ, อนาคตก็ยังไม่มาถึงทุกปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารโดยด่วนในปัจจุบั น, นาชาติผูนั้นสร้างบา ร, รมีแก่เก้ามาแล้วอดีตคืออะไร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 คำพูดแต่ละอย่างละอย่างก็อยู่ใต้อำนาจไตรรักใช่ ห, หรือไม่นึกขึ้นแล้วก็เป็นอดีตพูดออกไปแล้วก็ล่วงไปล่วงไปใช่หรือไม่นั่นไตรลักอันละเอียดเนี่ยว่ัชิสังขารเกิดดับอยู่ใครเป็นผู้พูดใครเป็นผู้ฟังอยู่เดี๋ยวนี่ก็คือสังขารและกองทุกข์ท่านีา้พาไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยใช่หรือไม่นะนั่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดนั่นนี่ก็เหมือนกันนี่ก็อยู่ที่ผู้ฟังและผู้พูด ผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วผู้สร้างบารมีแก่ข้ามาแล้วทำบทเดียวท่านั้นเสียงเลยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งนั้นก็ดับซึ่งหน้าในปัจจุบันสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นดับในปัจจุบันสังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารนั้นก็ดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นก็ดับในอนาคตคำพูดคำไหนที่พูดในปัจจุบันมันก็ล่วงไปล่วงไปตาเห็นโูกในปัจจุบันมันก็ล่วงไปล่วงไป หูถ้ฟังเสียงใปัจจุบันมันก็ล่วงไปล่วงไปอันเดียวกันคืออันนี้จังอันละเอียดยนะมอนต้องกำหนดลมแล้วภาวนะอะไรต้นแรกออพุทโทธพ้องกำบลมหายใจเข้าออกเออเออข้าใจเข้าใจ เห็นๆเจ้านี่รูปที่จะเห็นเป็นเฉพาะด้านก้างแต่ด้านยาวแล้วก็ลอยขนมาผมก็สงสัยหนักตาอยู่้จ้องจ้องก็เห็นว่ง้มาเนี่ยระยะประมาณสเมตรว่มาถาช่วงใกลตัวนลาบันรูกก็จะมีการ snap o นะสหน้าผมก็เลยว่าไม่รู้ว่าที่ผมเห็นนี่คืออะไรแล้วถ้าอันทางแค้ก็ถือว่าอันนี้เป็นภาพร้อนภาพภาพร้อนนี้ก็คือ ไม่เป็นปัญหาหรอกนี่มันเกิดขึ้นที่นั่นมันก็ดับขึ้นขึ้นมันมันมันก็ดับที่นั่นมันเกิดที่นั่นก็เพราะเห็นไดเพราะเห็นมันเห็นจะล่างนี่มาหัวไม่เห็นเห็นมเมเออเข้าใจเนข้าใจรูปรมี่่พพากยาไม่มีส่วนเลยเข้าใจเข้าใ จ, อ, ใจอุปจารสมาธิ อุปจาระสมาธิแปลว่าปรับสมาธิเฉียบๆไม่ใช่ไม่ใช่อปนาสมาธิแต่ว่าท่าที่ลมปราณในเวลานั้นก็ไปเกิดพม่าโลกเพราะมันเป็นสัจจาดูผมสงสัยว่าที่เราเห็นนี่คืออะไรแล้วผมบ้เห็นก็คือนิมิดเนิ้อเม็ดแปลว่าเครื่องหมายเออมันเนื้อเม็ดเกี่ยวกับภาวนานั่นเองมันเกิดขึ้นเนี่บุญถึงขนาดนั้นมันก็ยังดับเป็น เรียกว่ามีเกิดมีดับอยู่เป็นอ น, นิจจังอันละเอียดของบุญบุญส่วนนี้ก็เป็น อ, น, อ น, นิจจังอยู่อยู่ใต้อำนาจอนิจจังบุญส่วนนี้ก็ดีเป็นนิมิตเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายก็เพราะเราไปหมายรูปนั่นเองแล้วบารูปนี่ยผมดูจากอะไรครับางครั้งพอเราดูแท่งไปนจะเป็นรูปหน้าก่อนจะมาครั้ง ท, งที่จริงเน่ยเป็นเรากระโดดซ้อนเอออล้นั้นอุบายให้เราเบือหน่าย มันจะไม่ได้ไปหลงหนังตัวนี้เนีย่ยมันกับพหลงหนังมันก็ไม่จะไม่หลงหนังตัวนี้อีกมันจะไม่ไม่หลงหนังตัวนี้อีกอุบายอุบายเพื่อให้อสุภะชัดแจ้งเพื่อมาให้ไปห ล, ลงว่าเป็นของสวยของงามเพราะเคยหลงว่าเป็นของสวยของงามแล้วไปเห็นอสุภระเรียกว่าเห็นตามเป็นจริงอันนั้นเป็นธรรมะอันลึกเหมือนกันมันมาสอนเราให้รู้ว่าอย่าไปหลงหนังมากจนเกินไปนะ คล้ายๆเขาไหวอย่างนั้นแหละเข้าใจไหมที่นินที่เราถ้าหลับตาวนาเ่าม่นิมิแตแปลว่าเครื่องหมายเราหมายอยู่เดียวนี่ก็เป็นนิมิตภายนอกนิมิตแปได้ภาวานานิมิตยูธรรมธรรมดานิมิแตแปลว่าเครื่องหมายเราหมายไว้ที่ไหนก็เป็น น, นิมิตหมดนีเหมือนนิมิตในภาวานาก็เป็นเครื่องหมายอีก เป็นนิมิตละเอียดกว่านิมิตอันนี้เกิดดับเป็นเหมือนกันเข้าใจไหมเ <im it> ออเกิดดับเป็นเหมือนกันเป็นแสงเป็นอะไรมามันก็เกิดดับเหมือนกันหลวงปู่ภาวานาทีแรกเห่อเฮินเดินอากาศตีลังกาเลยหัดทีแรกตีลังกาในอากาศบางทีก็ขัดสมาธิไปเลยบางทีก็เดินจงกลมในาอากาศบางทีก็มีแสงพระอาทิตย์ มาพับเข้าก็มีมันก็หายไปนิมิตเหล่านี้มันเป็นนิมิตของภาวนานั่นเองมันเกิดดับเป็นเหมือนกันเป็นอนิจจังเหมือนกันบางทีก็เหาะทะลุภูเขาเลยเหาะทะลุภูเขาคือยังไงคือเวลามันเกิดขึ้นมามันก็แสงสว่างโล่ไปทะลุภูเขาก็เหาะไปตามนั่นมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกัน เข อ, อยู่ใต้อํานาจอ น, นิจังอันนี้ต้องรู้จักตามมันจริงของมันเอาอนิจังเป็นสารอายการตัดสินมันก็เกิดขึ้นที่นั่นมันก็ดับขึ้นที่นั่นสิ่งไหนจะเกิดขึ้นที่ใดสิ่งนั้นก็ต้องดับที่นั่นเราพูดอยู่เดียวนี่ยเกิดขึ้นที่ปากนี่ก็ดับลงที่ปากเหมือนกันนะ เกิดขึ้นที่ใจดับลงที่ใจเหมือนกันเพราะใจมันพูดนึกขึ้นนึกขึ้นเราก็ล่วงไปดับไปแล้วพูดออกมาก็เป็นว่ากีสังขารมันก็ดับเกิดดับเหมือนกันกายสังขารก็เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้ก็เกิดดับอีกเหมือนกันนี่กายสังขารอันหนึ่งเกิดดับเกิดดับหาระหว่างไม่ได้แต่ปวนหาระหว่างไม่ได้เกิดขึ้นหาระหว่างไม่ได้ดับไปหาระหว่างไม่ได้ ถูกควาพกำลมงหายใจเข้าออกก้าพิกาณาจังอันนี้จังพ่อกำลัหายใจเข้าออกเลยนี่อย่าไปวุ่นมนเลยอันนั้นในในโกว่า อ, อันนี้จังแล้วเกิดขึ้นที่ไหนก็ดับให้เราเห็นที่นั่นแล้วนี่นักชิโรเกระหัวหน้านามะความรับไม่มีในโลกมันเกิดขึ้นแบบเผยเผยมันก็แปรปวนและดับไปให้เราเห็นมันไม่ไม่มีมที่รับคำพูดแต่ละบทระบาตก็เหมือนกันล่วงไปล่วงไปล่วงไป จิตที่นึกขึ้นแต่ระบาดระบาก็ล่วงไปล่วงไปนี่ก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ความติกเป็นเครื่องสัญจรของโลกจะเป็นโลกอยู่เหมือนกันความนึกคิดก็จะเป็นโลกเหมือนกันความติกเป็นเครื่องสัญจรของโลกเข้าใจนะเฉยๆนะไม่บ้าหรอกถ้ามันไม่เห็นมันมันก็ไม่ดีถ้ามันเห็นอย่างนั้นแหะ ม, <c oughs> มันจริงมันจริงมี ไม่มันเป็นธรรมราใครก็ต้องผ่านหมดกเป็นลักษณะที่ดีอยู่เรียกว่าอุปจารสมาธิสมาชิ่เสียดเสียดอปนาสมาธิไม่เป็นอย่างนั้นลงไปแล้วกับฟับอปนาสมาธิไม่ปรเกาเห็นอะไรเลยเงียบรู้จักว่ามันเบาเหวี่อยู่เท่านั้นเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็เหมือนนั่งอยู่ในอากาศ ไม่ได้นึกไปทางไหนไม่ได้เคลื่อนไปทางไหนแต่หมดกําลังก็ถอนออกมาเหมือนกันถอนออกมาก็มาเห็นกรรมาฐานเดิมนั่นเองเช่นเรากำลังลมงใา้ใจเข้าออกเมื่อมเวลามันถอนออกมามันก็มาเห็นลมหายใจเข้าออกอยู่มันจึงฟุ้งไปถ้าเราไปฟุ้งไปเราเข้าเอียมันก็ไปอีกเหมือนกันนอัปนาสมาธิเข้าไปเบาวิวเลยมีแต่ผู้มีแต่ผู้หน้าเดียวดิ่งอยู่เท่านั้น ไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยเมาหวิวอยู่แต่มันถอนออกมามันก็เห็นกรรมฐานเดิมที่เราเข้าไปนั่นเองเข้าใจน่าฉยนี่เขาใ <c oughs> ออดีมากดีมากดีมากดีมากออพระยามกะสําคัญว่าขันห้านี่เป็นพระอรหันต์เนี่ยสําคัญว่าตัวตนเราเขาเนี่ยในหนังนี่เป็นพระอรหันต์เ อ, อ้าถ้าอยากได้เธอหาพระอรหันต์ในขันห้าดูสิหาในพระอรหันต์ในขันห้าทีนี่ นั่นก็ผมนั่นก็ขนนั่นก็เล็บนั่นก็ฟันนั่นก็หนังนั่นก็เนื้อนั่นก็กระดูกนั่นก็เอ็นเช่นเอ็นกระดูกมีแต่หาแต่เห็นแต่ธาตุดินน้ำไฟลมทีนี้หาพระอรหันต์ในนามทีนี้นั่นเวทนาความเสวยสุขทุกอารมณ์นั่นสัญญาความจำจำรูปจำเสียงจำสิ่งจำรสจำผดทพระจำธรรมารมณ์นั่นสังขารความปรุงแต่งแห่งกิด นั่นเวญยาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกเวีนกายกายเธอหาแล้วหรือหาแล้วครับเห็นไ้มล่ะพระอหันต์ไม่เห็นครับเห็นอะไรก็เห็นแต่สังขารและกองทุกมาเห็นพระอหันต์เลยมีแต่สังขารและกองทุกถ้าอย่างนั้นเธอจะไปยืนยันว่าพระอหันต์เป็นขันห้าขันห้าเป็นพระอรหันต์ถ้าอย่างนั้นเธอจะไปยืนยันว่าพระอหันต์ตายแล้วสูญทําไมก็รถ ชาติของความไม่เกิดไม่แก่ไม่แก่ไม่ตายมันสูญไปไหนรดชาติของความไม่โรคไม่โกรธไม่หลงมันมันมนสูญไปไหนมันก็มีอยู่พระเนธ่าหากว่าพระเนพานสูญพระเนพานก็ไม่มีพระินพานมีอยู่ทรรมนไม่เกิดไม่ดับมีอยู่โอ้แต่ก่อนกับผมยังไม่รู้ครับเดี๋ยวนี้รู้แล้วครับแต่ก่อนกับผมยังไม่รู้ ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระิานปัญหาไม่มากปฏิบัติเพื่ออาวิชชาปัญหามันมากปัญหาปฏิบัติเพื่อแก้กความหลงปัญหาไม่มากมันยึดถือหลงมาเป็นเราเป็นเขาเป็นสัต ว, เตว์เป็นบุคคลโดยจริงๆริงจังจมันไม่ยึดถือเสียแล้วมันก็ข้ามไปแล้วอัตตาทุตประทานกามุประทานถือมันในกรมทิฏฐุประทานถือมันในทิฏฐ ศีลและพะทุทธประทานถือมันในศีลพลดอัตวาทุตประทานถือมันวาทะวาตนวาตัวถ้าชนะอันนี้แล้วมันก็ชนะหมดอุปทานทั้งหลายชนะหมดศีลก็กลายเป็นมหาศีลสมาธิก็กลายเป็นมหาสมาธิปัญญาก็กลายเป็นมหาปัญญาเพราเป็นศีลสมาธิปัญญาไม่อยู่แต่อํานาจแห่งความหลงเหนือความหลงไปแล้วพระรูปตามเป็นจริงแล้วเวลาเท่าไรเฮย ว่มันถึงสว่งหนึ่งเบาๆอยู่ไหนแล<อ>้วก็เอาใครพ่ออน่นี่เนาะยาถาวิวะฮาปราปกเรปุเรนเสซากลางเอวะเมวะเยโตตินังเปย์าดังบะกปฏิวิธิตังปิิตังตูมหังคิปเมวะตะเมตตะุสะเพุเรนตุจังกป่า กั น, ทนโาทนรโฌยะธามณีโชตินัโยาาสยะธาขะพิทยโยยวัจนะสปตุโขสะพะโยสะปโรโคเวนันสจัตวาเทปวัตตันตราโยสุขีตีกายโยโขพระอภิวาทนาสีนิจานิจังวจาระจายิโนจัตตารูธรรมาวัฒนติอายวโนสุขังปะเราด้วยเดชพระพุทธศาสานาการทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงอยู่มิ ทุกการด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลูกและแม่ลูกไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายจงพ้นจากกองทุกข์ทั้งปนูนั่นพจะมธรรมิทศน์พระธรรมโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเธอเนาะนึกยุ่งยใจยัไม่ใช่เราไม่ใช่ของเาราพองะเราหายใจเข้าขออกอะไรเพราะมีแต่ลมนี่กับสังขารนี่และกองทุกข์นี่เป็นแตสภาวะรู้เป็นแตสภาวะเห็นท่อกับลมหายใจเข้าออกก็ได้่ะ พอเข้าจะภาวานาไปพระเนี่ยพัดบอกมันเจตผาวานามาแยกกันจินขนมโยน้ำโลกอันนี้บอมันจะผาวานาม้าเกิดมาแก่มาแก่มาตายมาแข่งกันมาแข่งค้างกระดูกกันอยู่นี่มันจะมาแข่งควมหลงกันอยู่นี่เพราะมันเจตผาวานาแก่ควมหลงกันเขาเป็นทักว่ารู้เป็นทักว่าเห็นว่ามันสัตว์ว่ามันมุคคน่นกลายไ์เป็นทัศว่ากายใจเป็นทัศนว่าใจคุณพระพุณพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณอันว่เกิดว่าดับ พอดึงเขาสู้พระเนี่ยภาพคุณพระพูพระธรรมพระสงฆ์คุณพรพูดธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามันจะหายว่าเป็นเพลิเพลินอยู่ในโลกอันนี้เลยคุณของพรพุดธพระธรรมพระสงฆ์ดึงหนีจากโลกจากวัฏฏะทรกข์สารเลยว่ามันจะหายว่าเป็นเพลเพล่อยู่ในวัฏฏะทุารอันนี้แต่ว่าองท่านว่าเืนต่างร้านกระเทียกระดาษซื่อเนี่ยบรถษตำแหน่งเกเรตเมั่อกวบยูขึ้นกันเลยเศร้าโลก ข้าโลกว่ารถตาแนงกิเลสสิบว่าเอาตั้งแต่อามิตรหลอกกันมันหันทะระยุในโลกอันนี้วัตถุนิยมมันก็ดออกแตงออกมาจากฐานดินน้าไฟร่มมันแตกสลายเป็นแต่วัตถุนิยมหนังหุ่มยู่โดยรอบก็ยังเออกมาจากดินน้าไฟร่มวัตถุภไฟนนี้ร่มภายนอกมันแห้งไปบางไงแล้ววัตถุนิยมก็เอามาจากดินน้าไฟร่มนี่ วัตถุอันี้อมไฟนาะกระดาษมั่นน่ะวัตถุเสี่ยงของมั่นกับวัฏฏิหน้าไฟร่องข้เก่าเนี่ยมันก็แตกสลายเป็นคันเ่าเอาควาจริงมาปกคล้องกันในโลกเนี่ยยุบอะไรเนาะแล้วถ้ากิเลสบวลดแเนียงมันต้องลดตแเนียงกิเลสเอากิเลสเป็นหน้าหนาวมลดตแเนงมันก็ปกค้องกันมได้ฮว่ามันสู่พระพุพทธเจ้าบาได้ พระพุทธเจ้าบอกไว้หมดละง่ามไหนโลกอลมารกับพระอรุโขออกทางเหินจากเส้นธรมพระองค์เจ้างามไหนโลกเรียบร้อยโลกหันหนาเขาสู้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นของจริงไม่ว่าเอกจะจริงอีกนะไม่พูดอีกก็จริงเอกไม่ขึ้นอยู่กับผู้ลู่แล้วไม่ลู่ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อเลยไม่เชื่อจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืน ของจริงแล้วใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาก็จริงอยู่ไม่มีกลางวันกงคืนจริงในทางดีก็เหมือนกันจริงในทางสั่วก็เหมือนกันหรือแล้วลเนาะเออปะอะรเนาะ